กำลังของความเพียรเอเนจ we need to stabilize your energy to be strong รักษาไอ้ความเพียรหรือฉันทะเนี่ยให้มันต่อเนื่องกันก น, นานๆตัวฉันทะคือตัวกำลังของฉันทะมันตกไอต้ตอนแรกก็รู้สึกตั้งระดับอะไรมั่นคงดีพอไปชั่วโมงหรือส0มนาทีหลังชั่วโมงมรอยไม่ค่อยอ่อนตัวลง ถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์มีปัญหาเราก็ใช้กดอะไรรีเฟลซใช่ไหมหรือว่ากดตัวเลขมันสับสนไม่เป็นเรื่องเวลากดรีเฟลซเลขก็จะเรียงกันใหม่เหมือนกันระบบของร่างกายเหมือนกันเราค่อยรีเฟลซมันเรื่อยๆทุกห้านาทีสินาทีเพราะว่ามันเซนซิทีฟมันเปลี่ยนไววันนั้นก็รีเฟลซทีมก็กลับมาเรียงตัวกันใหม่ความรู้สึกมาเรียงตัวกันใหม่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยรีเฟลซเราเรียงอะไร ลีไซห์ดลงเร็วๆนะก็ในช่วงเช้านี่เราสวดจิตตานุปสนาซึ่งอยากจะให้สังเกตอย่างใ้วันก่อนที่เราสวดไอ้อิบทใหญ่แล้วอิบุตรย่อยแล้วเวทนาแล้วก็มาจิตาเราเนี่ยในส่วน อีบุใหญ่เราใช้คำว่าคัาชั่นตัววะคาชามิติประชานติภิกษุเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดคําว่าประชานติเรรู้ชัดก็รู้ชัดว่าเรายืนอยู่คาชั่นคาชันตัววะคาชามิติประชานติแต่พอมาตัวอีบทย่อยท่ใช้คำว่าภิกกันเตปฏิกัเตสัมปัญชานักลีท่านใช้คําว่าสัมปัญชานักลีแทนคําว่าประชานาติ พิสูจเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในดีบทย่อยภาพตาอาปากให้เจในญใช้เล ย, ย, เลยขวาก้มเงยหยิบหยับยาชนให้รู้พร้อมรู้ทั่วพิสูจเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสำบัญชนะหรือความรู้สึกตัวในดีบทยย้ให้รู้ทั่วๆั่วพร้อมทั้งหมดแต่ในส่วนอิบทใหญ่ปัชนาติเหมือนกันแปล ว, ว่ารู้ชัดอะ ทีโตวาทีโตมาหีติปัชานาติเมื่อยือนอยู่ก็รู้ชัดว่าเรายือนอยู่เทราะฉนั้นอิบทใหญ่ท่านบอกให้รู้ชัดชัดอย่างอย่างสร้างจังหวะนี้เป็นอิบทใหญ่หรืออบทย่อยยกมือเนี่ยใหญ่หรือย่อย ย, ย่อยนะพี่กันเตะสัมมินชิเตะาสาธิเตสัมปชานะกาลีหุติเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการคู้เข้าแล้วก็เหยียดออก ขูเขาสา ม, มินชีเตขู่เขาประสานิเตเหยดออกนี่คือให้รู้ทั่วไม่ใช่รู้เฉพาะมือนะไอเรือมือยกเนี่ยช้าหรือเร็วเป็นจังหวะหรือไม่เป็นจังหวะมันไหลลื่นหรือว่ามันเป็นขั้นเป็นตอนให้รู้ทั่วอย่างนั้นแล้วในขณะที่เรายกเมันเอฟเฟกต่อส่วนไหนของร่างกายบ้างก็รู้เขาเ้าไปทั่ว รู้ถึงลมหายใจลึกตื่นด้วยถ้ารู้ไม่ทั่วเป็นไงมันก็จะค่อยๆหดตัวลงหดตัวล ง, ลงกําลังของสติก็ข่อยหมดไปพอรู้ไม่ทัว่ว น, นี่อันนี้คือการใช้พอเรามาสวดเวทนาสุขขังเวทนางเวทียะมาโนเมื่อสวดเวทนาอันเป็นสุขสุขขังเวทนางเวทียามีติปัจฉานาติเวทนาท่านก็ให้ใช้ปัจฉานาติก็รู้ เมื่อสุเม่สวยเวทนาอันเนสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราสวยเวทนาเปสุขช้กำว่ า, ร, ารู้ชัดเหมือนกันไม่รู้ชัดเหมือนกับยืนเดินนั่งนอนแต่พอโดยรีบที่ให้รู้ทั่วใช่ไแต่พอมารีบทใหญ่กเวทนาบอกให้รู้ชัดชัดใช้คำวราชาาติแต่ที่มี่กี่เราสวดไอ้จิตา นุปัสนา嘛สราคังวาจิตังสาราคังจิตตันติปชานาติภิกษุเมื่อจิตมีราคาก็รู้รู้จักว่าจิตมีราคาภิกษุจิตมีราคาก็รู้จักว่าจิตมีราคาใช้คำว่ารู้จักแหละคำว่าชาณะติอันแรกให้รู้ชัดอันที่สองให้รู้ทั่วอันที่สามให้รู้ชัดอันที่จิตนี่ก็ให้รู้จัก ให้รู้จักแต่ใช่รู้จักก็รู้ชัดต่างกันในภาษาไทยเป็นจุดๆใช่ไหมแต่รู้จักในรู้ทั้งหมดแต่ท่านก็ใช้ค า, าประชานาติเหมือนกันคือใช้ต่างคือรู้ทางทั้งหมดรู้สักส่วนท ม, ามา่คําว่าโสสะโทสั่งวาจิตตังสะโทสั่งจิตตันติประชานาติจิตมีโธสะ รู้จักว่าจิตมีโทสะจิตมีไม่มีโทสะวีตาโทสังว่าจิตตังวีตาโทสังจิตตันติประชานาติเมื่อจิตไม่มีโทสะก็ให้รู้จักว่าจิตไม่มีโทสะจนันสุดท้ายว่าวิมุตตังว่าจิตตันติประชานาติอเ ว, วมุตตังว่าจิตตันติประชานาติ จิตหลุดพ้นก็ให้รู้จักว่าจิตหลุดพ้นจิตยังไม่หลุดพ้นก็ให้รู้จักว่าจิตยังไม่หลุดพ้นคาว่าประชยัยให้รู้จักไอคําเหล่านี้ภาษาไทยเรายอดเยี่ยมตรงนี้เองคือสามารถหาหาคําที่ตรงกับสภาวะที่ว่าชาติไทยไม่เหมือนชาติอื่นเรื่องภาษาวัฒนธรรมคือภาษามันแยกไปตามสภาวะแต่ภาษาปิดภาษาบาลีเนี่ยมันแยกไม่ได้มันมีศัพท์เฉพาะ ชานาติขับเดียวนี่ไปรู้จัดรู้พร้อมรู้ทั่วรู้จักอะไรไปซึ่งเหมือนภาษาไทยเรามีแยกๆไปตามสภาวะอันนี้คื อ, อวามโชคดีของเรานีทีนี้ช่วงเช้าเนี่ยอยากจะก่อนที่จะสู่หมดของจิตานุปัสสนาเนี่ยขอดูตัวเชื่อมต่อคืออยากจะตอย้ำเรื่องเวทนาอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อจะ ว่าเวทนาไปสัมพันธ์ก็ให้เกิดความคิดได้อย่างไรความรู้สึกความรู้สึกที่เราเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงที่เรามีอยู่เนี่ยมันไปก่อให้เกิดความคิดได้อย่างไ ร, ร, ร, รนะซึ่งตัวเวทนาตัวนี้ที่ทำให้พระสารีบุตรเป็นเลิศทางปัญญาให้บางทีไม่รู้จักภาษาสารีบุตรยกขึ้นยกมือขึ้นทุกคนรู้จักใช่ไหมท่านมรณาภาพไปแล้วนานกี่ปีแล้ว เกือบสามพันปีแล้วใช่ไหม <c oughs> ทำไมยังรู้จักท่านอยู่ท่านเลิ่ในทางไหนเลิ่ในทางปัญญาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะท่านบระพุทธเจ้าพระเทศนาเชื่ออะไร <c oughs> เวทนาปาริขะหาสูกําหนดรู้เวทนาจึงเป็นเลิศในทางปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครตามรู้ศึกษาเรื่องเวทนาเป็นปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือโลกิยาปัญญามันจํากัดแค่บรรพบุรุษเราให้มา การศึกษาเราให้มาประสบการชีวิตเราให้มาแค่นั้นโลกียปัญญานะแต่โลกุตระปัญญานั้นเรามีความขยันหมั่นเพียรในการตามรู้ตามดูตามเห็นชีวิตของเรามากเท่าใดโลกุตระปัญญาพเพิ่มขึ้นไม่มีขีดจำกัดอันลิมิตอันลิมิตแต่โลกิยะปัญญานั้นจำกัดเฉพาะ บรรพูหลุดเผ่าพันุ์การศึกษาประสบการณ์ความชํานาญในวิชาการนั้นๆถ้าจะไปเรียนวิชาการใหม่ก็ต้องไปเรียนใหม่อีกแต่ในแง่ของโลกุตระปัญญานั้นจะถ้าเรามาเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่นี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยเร่อยท่นานภาษาท่านภาษาลิบุตรท่านจับประเด็นตรงที่เวทนาคือเวทนาที่เราศึกษากันนี่แหลนะนะแม่กาวท่านเป็นยังไงราษาลิบุตรชื่อเดิมชื่ออะไร อุปปฏิสัอาอุปอปิสเพื่อนของท่านชื่อโกริตาต่อมาเพื่อนของท่านได้ชื่อว่าโมคลานะท่านไปนเลิ่ในทางไหนโมคลานะอาทางมีฤทธิ์ท่านโมคลาะนั้นเน้นการศึกษาเรื่องของอากายาในฝ่ายกายเพราะนั้นท่านจึงมีสมาธิสูงมีฤทธิ์มากใช่คือรู้ชัด แต่ท่านพระสารีบุตรเน้นในเรื่องการศึกษาในฝ่ายเวทนาปัญญามากเป็นเลิศเลยนี่เห็นไหมแต่พระอนุรุทธะเน้นในการศึกษาเรื่องจิตท่านเป็นผู้รู้จักจิตตามรู้ว่าพุรธเจาตอนนี้ท่านปริญญานิพานจิตของท่านไปถึงไหนแล้วก็จะเข้านิพานในช่วงไหนเวลาใดนี่พระอนุรุทธะตามเห็นหมดฝึกฝนอันนี้ไม่ใช่ว่าใครอยากใจนี้กันแต่หมายถึงว่าอุปนิสัยเก่าท่านได้ฝึกมาอย่างนั้นก็ทําได้ แต่เอาละวันนี้เรามาเน้นในเรื่องของเวทนาอีกทีหนึ่งว่าเราดูอย่างไรให้ชัด <c oughs> ะจะไม่ไปลึกไกลขนาดนั้นนะจะเสียเวลาคือพระสารีบุตรเดิมท่านว่าอุปติสะเนี่ยหลังจากนัดกับเพื่อนอกุลิตะว่าหลังจากเบื่อหน่ายโลกเต็มทีแล้วเพราะคนฉลาดนติดจะติดโลกติดอะไรไม่ได้นานมันเบื่อไวแต่คนไม่ฉลาดไปจมอยู่งั้นนะตลอดชีวิตก็นในเรื่องเดียวนั่นแหละ แต่คนฉลา ด, ดออมันเบื่อไวทีนั้นจะเป็นคนฉลาดมากพ อ, อไปดูละครไปกินไปเล่นไปเต้นไปรำอะไรหลายๆครั้งเข้ามันนึกถึงว่าออชีวิตเรามีแค่นี้เหรอนี่แค่กินอิ่มนอนหลับอริดอร่อยสนุกสนานไปวันๆมั น, นมีแค่นี้เมันน่าจะมีอะไรดีกว่านี้่านก็นัดกันว่าไปหาครูบาอาจารย์ว่าใครมีวิชาอะไรดีแยกกันไปหา ทีนี้วันหนึ่งที่พุ้ริชาประกาศาศาสนาส่งสาวกาไปตอนนั้นมีสาวกอยู่หกองคใช่ไหมเป็นเจ้าคีทั้งห้ากับตัวท่านบอกเขาไปคนละทางนะอย่าไปที่ที่เคยสองถางพระมีน้อยเอาไปทางเดียวกันหลายองค์นี่เราจะไม่ขยายไม่กว้างท่านพระองค์สุดท้ายชื่อว่าเปเจ้าคีทั้งห้ามีใครบ้างโกนทัญญวะัปปะพัทธิยะมหานามะ อาชชิ น, นี้พวกเราเป็นครูนี่จะต้องจำเรื่องนี้ให้ได้นกะเรียนมันถามขึ้นมานี่จริงเลยนะถ้าจำไม่ได้นะเป็นโยคีทั้งห้าโองค์สุดท้ายชื่อพระอาชชิใช่ไหมพระอาชชีหลังจากที่ได้บรรูุธรรมก็ไปอีกทางหนึ่งกันไปเมืองราชคือไปเมืองนารันธาเป็นบ้านของท่านพระสารีบุตรหรือท่านุปฏิสัตทุกชาท่านออกบินาบาท พุทธามปุตินักบวชที่ออกบิณธบดีเดินกันทั่วไปหมดเหมือนกันเพราะนักบวชตัต้งร้อยแปดลัทธิในสมัยนั้นนะร้อยแปแต่แ ล, ละัทธิก็สอนไม่เหมือนกันคนละอย่างแบบอย่างของเราปัจจุบันเนี่ยสำนักหลวงพ่อไหนก็สอนไปคนละแบบแล้วแบบไปเมืองไทยปัจจุบันนี่เป็นไงเป็นพันพันลทัทธิอาจารยไม่ใช่ร้อยแปลัทธิอาจารย์หนึ่งก็สอนแบบหนึ่งอาจารย์หนึ่งก็สอนแบบหนึ่งเป็นพูดเหมือนกันนะเป็นเทรวัฒเป็นนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเลยร้อยลัทธิแล้วแต่ จะสอนแบบไห น, นทีนี้ท่านอาชีิก็ไปวินท่าบาทแต่ว่าลักษณะการเดินไม่เหมือนนักบวชทั่วไปคือเดินนิ่มเดินสวยแล้วก็ตาสายตาไม่ลอกแรลกเหมือนนักบวชคนอื่นจะดูเฉพาะหน้าสำรวมระวังหานุปปฎิสาบินวายสุกเห็นแล้วสึกประทับใจในอีเดียบด การเดินการเดิทางก็เลยอยากไปถามว่าท่านมาจากว่าไหนเดินสวยหรือเดินจะว่าอยาไปถามอะไเนี่ท่านมาจากว่าไหนเดินสวยเดินนิ่มแล้วท่านใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านอันนี้คือข้อดีที่ที่ผู้นักบทที่เขาจะถามหาครูบาอาจารย์ในเดียวมาจากสมภังไหนครูบอาจารย์เป็นามาจากลัทธิอะไรแล้วก็สอนว่าอย่างไรจะไปถามแบบเนี้ยแต่ในขณะนั้ น, น, น, ท, น, น, ท, ท, นท่านกําลังบิณฑบาตอยู่ช่วงเช้าท่านก็ คงเข้าไปสอนเราเข้าไปถามตรง น, นี้คงไม่เหมาะนะท่านก็ดูเราก็เลยตามไปห่างๆจนกระทั่งท่านไปบินทาบายจนสุดหมู่บ้านนะแล้วก็กลับมาก็มานั่งฉันใต้ต้นไม้ในสมัยนั้นยังไม่มีวดัดมีวาอะไรยนะใต้ต้นไม้ก็มาฉันท่านอุปติสสะก็นั่งดูอยู่ห่างแล้วก็ดูจนกระทั่งฉันฉันเสร็จเดี๋ยวรอยแล้วเข้าไปก็ถามอย่างที่ว่านั่นแหละ ท่านก็บอกว่าจะมาเป็นพระใหม่นะเพิ่งบทใหม่เพราะฉะนั้นบอยสุกทำอะไรมาคงอธิบายไม่ได้มากาเพราะว่าบทใหม่แล้วก็เข้าใจอะไรใหม่ๆอยู่ท่านบุริสามบอกไม่เป็นไรท่านอธิบายพูดชั้นๆพอเข้าใจก็ใช้ได้แล้วผมก็ก็มีประสบ ก, การณ์เรื่องนี้เหมือนกันในที่สุดท่านก็บอกว่าอาิเราได้ฟังและเข้าใจตามอาจารย์ของเรา สอนว่าเยธรรมาเหตุกเพราะว่าเดสังเฮตุนดาธาคโตเดสัญจะยนิโรโทจากเอวังวัธิมหาสมมโนคำว่าเอวังวัธิมหาสัมโนอาจารย์เราสอนอย่างเนี้ยมหาสมณะคืออาจารย์ผู้เป็นมหาสัมนะคือโหตมะพุทธะเนี่ยสอนอย่างเนี้ยสอนว่าไงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดมันมีเหตุให้เกิดเหตุเพราปว่าเกิดจากเหตุ เดสังเหตุ ate, ตุงตัถาคาโตพระตถาคตพระพุทธเจ้าจะตรัสแต่เรื่องเหตุของเรื่องนั้นจะไม่ตัดถึงผลถ้าเราอยากจะให้เหตุอยากจะได้ผลดีก็ทําเหตุให้มันดีถ้าอยากให้ผลถูกทําเหตุให้มันถูกอยากได้ผลผิดทําเหตุให้ให้ผิดผลมันก็ผิดแต่ที่เหตุเดสังเหตุงดัถาเตสัญจ oh ja. ะโยนิโรโทจักการ ทำสิ่งนั้นให้ดับไปก็ต้องดับที่เหตุอจะทําสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นก็ทําที่เหตุให้มันเกิดออย่าอย่าไปหวังผลอย่าไปอย่างเดียต้องมาศึกษาที่เหตุให้ดีอาจารย์เรากล่าวอย่างนี้กล่าวแค่นี้เป็นไงได้ดวงตาเห็นธรรมเลยคือหมายความเข้าใจทะลุปูพวงแล้วอะไรเป็นอะไรเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมก็ถามว่าตอนนี้อาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนเราอยู่ดุลพักอยู่ที่อนุ ปียัมพวันนั่นผมจะตามไปทีหลังแต่ว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่ออะไรนะโกริด า, าผมจะไปตามเพื่อนพุมก่อนแล้วก็กลับไปก็ไปตามหาเพื่อนก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเป็นอย่างนี้แล้วอธิบายให้เพื่อนฟังแล้วก็พูดถึงค า, าถาของพระอาจจะชี่ให้เพื่อนฟังแล้วอธิบายให้ท่านฟังอีกทีปราโกวดว่า พอท่านโกริตะหรือโมคคัลณะเวลานะในในเวลาต่อมาได้ฟังคําอธิบายแล้วเข้าใจได้ตรงใจที่ทำอย่างคนหนึง่งก็เลยพร้อมกันพากันไปหาพระพุทธเจ้าที่อนุปยะอัมพวันอนุปยะอัมพวันคือแม่เขาสวนมะม่วงของในปีอะไรแบนะอนุปยะอัมพวันเสร็จแล้วก็พากันไปก็ไปขอบวชนะขอบรรพชาขอศึกษาเรื่องเนี้ย ที่บวชเพื่อที่จะศึกษาเรื่องนี้นะว่ า, าเป็นอย่างไรสิ่งทั้งหลายมันเกิดแต่เหตุเกิดอย่างไรเขาอยากจะทราบรายละเอียดต่างๆพระเจ้าก็ให้บวชเขาบวชแล้วพระมหมาโมคระณะนี่ก็เรียกว่าไปทําเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเรื่องกายานุปัสสนาเรื่องการอานาปานาสติทำหายใจเข้าหายใจออกเรื่อง <c oughs> อิริยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอน อิบุตย่อยผู้เย็ดเคลื่อนไว้แล้วกำหนดธา4สีอาการสามสิสองกำหนดอสุภะท่านก็ไปทำในโครงสร้างเหล่านี้ในเรื่องของกายปรากฏว่าภายในเจ็ดวันเนี่ยวันที่หนึ่งถึงวันที่หกง่วงทุกวันนะง่วงทุกวันพอไปถึงวันที่หกเราพุทธิเจนะ้าเห็นเนาะโอ้พระกุิตานี่ง่วงทุกวันคงไปไม่ได้แล้วนี่ท่านก็เลยไป อ่เสด็จไปาไปบอกก็ไป็นตุบไหลเพรานะนั่งนั่งพิงไอ้ต้นไม้อยู่นะนั่งหลังพิงต้นไม้ตุบไหลอา้าวตื่นตื่นตื่ น, นทำไมง่วงเหลือเกินน่ะหนักเหลือเกินท่านนุ่งไปมีตปบาดฉันแล้วก็ง่วงในะงั้นก็ไปไปเอาอะไรมาปั่นหงเล่นนะปั่นหูให้มันตื่นกระยี่ตามันตื่นไปเด็ดดอกหญ้าหรือใบไม้อลไรมาปัน่นเอา แล้วก็พุดเจ้าก็แอ บ, บไปเดินชมกลุมที่ mm. อื่นสักพักหนึ่งแล้วแอบมาดูอีกสักสิบนาทียี่สิบเอาไปไงนั่งหลับอีกแล้วนะ <c oughs> นั่งหลับแล้วก็เข้าไปกรุบเอาเอาทำไมนั่งหลับเอา้าลุกขึ้นไปไปล้างหน้าไปเอะไปล้างหน้าก็มานั่งทําจังหวะไปดูซ้ําจังหวะหรือเปล่าดูนะสักพักหนึ่งอา้าวหลับอีกแล้วท่านก็ออกมาท่า ก, ออ ก, าทาก็ออกป่ามาบอกเอาไป นายเดินเล่นไปเดินเดินจงกรมสักพักหนึ่งเดินไปจนมาโซซัสโซซีขึ้นที่นั่งโดยไม่รู้ตัวหลับอีกพุนิจาวก็ออกมาเจ้าป่ามองบอกอีกเอาอยางงั้นมองไปไกลๆนู่นมองแสงดาวันเนะ่ยทาสู้แสงดาวันเลยมองยอดไม้ชายคามองแสงดาวันมองไกลๆอย่าไปก้มหน้าอยู่นั้นแล้วท่านบอกแล้วก็ทําตามแค่กระดุไปสักพักนึงออกมาเอา้า นั่งดับเรียบร้อยแล้วบอกอย่างนี้จนถึงอุบายสุดท้ายบอกว่าโอ้คงไม่ไหวเมื่อคืนคงนอนห้าหกวันไม่ได้คงนอนไม่อิ่มเ่างงั้ง น, นกระโบกกระเปรียบางคนก็ค über, งเป็นอย่างงั้นนอนตื่นเคยนอนตื่นสายเนี่ยเป็นหนุ่มเจ้าสมเซรานนะ่ะ แต่ที่นี่มานอนตื่นเช้าๆตีสามตีสีเนี่ยไม่ไหวสงอกสแงกหลายคนยังเป็นอยู่ใช่ไหมเอาฟื้นเรนะื่อยๆประหลาบประเหลือกที่จะลืมตามันหนักตาเรนะื่อยะเราเคยตื่นแปดโมงเก้าโมงแล้วมาตื่นตีสามตีสี่ไม่ไหวเอางั้นไปนอนซะแต่ว่ามีเงื่อนไขนะนอนตะแคงขวาแบบสีหาสยาียญาตเคยนอนไหมนอนตะแคงขวาแล้วเอาเอามื อ, อลองศีรษะนอนไปสักพักหนึ่งเป็นไง พอง่วงแล้วนอนท่านี้เป็นไงง่วงแบวิบหน้าสับดินโปอะไรทีนี้ตื่นขึ้นมาโพร่งเลยระเบิดหรวา่าไงเด้อพร่งขึ้นมาจิตอวิชาที่มันสั่งสมมา น, นำมาระเบิดตื่นตัวอย่างเต็มที่ให้ที่สุดโอ้มันมันเหมือนกับอะไรเกิดขึ้นกับกับท่านเองอน่ยนั่นหมายความจิต ระเบิดอวิชชาระเบิดตื่นเรีองเต็มตัวป่ากุแล้วได้บรรลุธรรมขาะนั้นบรรลุธรรมเพราะอุบายแก้ง่วงสุดท้ายแต่อย่าไปนอนเขานะวันนี้นะฉันอยากเอาแบบนั้นวางไม่ไหวคนละคนนะก็มีตอนหลังก็มีคนมาถามว่าทําไมพระสะัพระโมคคัลนะง่ว ง, งหนักหนาสะหูขณะนั้น <S <S ร, รุ่ยาะบอกว่าท่านเคยเป็นมหาฤาษีมาหลายชาติคําว่ามหาฤาษีนี่เขามาบําเพ็ญตะบะนั่งสมาธิ อย่างเดียวนั่งสมาธิเข้าชานอย่างเดียวเกิดมาหลายภพหลายชาติ ก, ก็เป็นมหาฤาษีเพราะฉะนั้นหลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรมฤทธิ์ท่านถึงมากไงเพราะสิ่งที่สั่งสมมาพลังจิตเนี่ยสั่งสมมาหลายชาติแต่พอมาชาตินี้พลังของสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิมาทักจิตของท่านหกเจวันนี้แก้อย่างไงก็ไม่ตกขนาดพุทธิย่าไปแก้เองจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ย สมาธิมิใชาสมาธิมันระเบิดแตกออกมาเป็นตัวสัมมาสมาธิสาโตุลีเลยว ะ, ะแล้วก็บรูธรรมอันนั้นก็ภายในจิตวันแค่นั้นเองวันที่เจแต่พระสารีบุตร ท, ที่อุปติสสะบุตรและเป็นพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังทุกวันกันแต่เนื่องจากท่านเป็นคนฉลาดเกินไปคือหมายว่าฟังแล้วขัดคิดแย้งในใจอะ่ะ ท่านอธิบายไปเนี่ยคิดหาเหตุผลแก้ยังนี้อธิบายอย่างคิดหาเหตุผลแก้ยังนี้เรื่อยๆไปซึ่งเป็นคนฉลาดเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะอะโดยเฉพาะถ้าเอานักพวกจิตวิญยานักปรัชญาหม่าฟังเนี่ยเขาก็จะคิดแย่งไปเรื่อยๆทีนี้พอตกวันที่สิบสี่ท่านพระอุปติสสะหรือพระสารีบุตรมีลุงอยู่คนหนึ่งชื่อว่าทีคานาคะทีคาแปลว่าอะไรนาคะแปลว่าอะไร ไว้เล็บยาวอ่ะทีเล็บยาวนั่นผู้หญิงทั้งหลายที่ไว้เล็บยาวก็คือลูกศิษย์ของทีฆาณาขาว น, นะทีฆาณาขาเป็นลัทธิที่ไว้เล็บยาวก็มาคือเป็นเจ้าลัทีิคนหนึ่งมาถามว่าผมตามหาหลานผมมาหลายวันแล้วเนี่ยตามปกติได้สนทรธรรมก็ทุกวันแลกเปลี่ยนทุกวันแต่ว่าได้ข่าวว่าท่านมาบวชที่นี่อ่าผู้ทีเจ้าท่านก็เรียกออกมา พระสารีบัถวายงานพระนานั้นน่านนร้อนนะน <c oughs> ะเจ้าว่าท่านสอนอย่างไรตั้งบุดีหลานชายผู้นี่ไม่ใช่ยอมรับอาจารย์ง่ายๆแต่ว่าท่านสอนอยังไงอ่าบุรีเจ้าก็รู้ภูมิหลังของคนนี้มาบ้างก็ย้อนถามอ๋อเห็นว่าสอนท่านทำกันเป็นประจำสอนอยังไงสอนหลานของท่านอย่างไรเหมือนกันวันนี้ตั้งสิบกว่าวันแล้วเนี่ยจนบ่ายนี้ยังไม่เข้าใจในเรื่องไอ้สภาวะธรรมคันสูงขึ้นเลยทา่ทานสอนอย่างไร เราสอนนทีิคณะค่ะนะสอนว่าอันไหนสิ่งใดก็ตามที่มันถูกต้องสิ่งนั้นต้องถูกใจเสมอสิ่งใดที่มันถูกใจสิ่งนั้นถูกต้องสิ่งใดไม่ถูกใจสิ่งนั้นไม่ถูกต้องสิ่งใดถูกใจสิ่งนั้นต้องถูกต้องสรุปแล้วนี้ครสอนอย่างนี้โอพระพุทเจ้าท่านคิดว่าถูกไหมถ้าสมมุติว่ามีศัตรูของท่านมาทำร้ายเบียดเบียนของท่าน แสนสาหัสท่านต้องการแก้แค้นเขาเนี่ยคนทั่วไปต้องการแก้แค้นเขาแล้วท่านก็แก้แค้นได้สําเร็จคือฆ่าเขาตายแล้วท่านก็ดีอกดีใจว่าได้ทําลายศัตรูความดีใจของท่านนี่เป็นสิ่งที่ถูกใจท่านใช่ไหมใช่แต่ว่าสิ่งที่ทํำนี่ถูกต้องไหมเอ๋ชักคิดแล้วทีนี้นะชักคิดแล้วหรืออีกรณีหนึ่งเวลาท่านป่วยหนักแต่ต้องไปผ่าตัดหมอจะต้องไปผ่าตัดรักษา การที่ท่านจะต้องถูกวางยาผ่าตัดทื่งเจ็บปวดปางตายเนี่ยถูกใจท่านัหมไม่ถูกใจแต่มันถูกต้องไหมที่จะต้องดังนั้นโดนเข้าไปหลายๆดอกยอมยอมฟังพุทธิยาก็บอกว่าสิ่งที่ท่านเชื่อนะ่มันเป็นไม่ใช่ตัวสัจธรรมแต่ว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนานเวทนาคือความพอใจไม่พอใจ ถ้าเรา เ, าเอาความพอใจไม่พอใจมาเป็นเครื่องแต่สินจาญธรรมได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่ได้ตัวจาญธรรมตัวสุดท้ายแต่มันเป็นตัวเริ่มต้นความพอใจไม่พอใจก็คุยกันเรื่องที่ว่าเมื่อวานความพอใจไม่พอใจว่ามีรากมีรูดมันพระพุทธเจ้ตรัสทั้งหมดเลยที่เราดึงให้เห็นรากของเวทนาทั้งสามเมื่อวานนะนะพระเจ้าตรัสทังสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในที่สุด ในขณะคือคุยกันท่านทีฆนาะคค่ะอยู่ข้างหน้านะแต่ความจริงท่านต้องการสไลด์ทุกคนข้างหลังนะที่กำลังถวายงานพระคนข้างหลังคือใครที่ถวายงานพระอยู่อุปติาศาหรือพระส า, ารีบุตรแต่เนื่องจากท่านบอกตรงๆไม่ได้เป็นคนฉลาดบอกตรงตรงมาได้แต่ความจริงที่ท่านพูดอ่ะต้องการพูดกับคนข้างหลังแต่เอาคนข้างหน้าเป็นเป็นหุ่นรับคือทีฆนาะคะจนผ่านเวลาไปในเรื่องอย่างนี้ว่า เวทนาทั้งหลายทั้งปวงเกิดเพราะอาศัยรูปนามเป็นความรู้สึกที่เกิดจากขาบวนการทั้งหมดว่าเกิดเพราะด้วยอํานาจของอะไรเวทนาทั้งสามต้นตอของมันความสบายไม่สบายเกิดเพราะอํานาจของแตรรัตคืออนิจจังก็ให้เกิดสุขเวทนาทุกขังก็ให้เกิดทุกขเวทนาแล้วก็อนัตตก็ให้เกิดอาทุกขมสุขเวทนาใช่ไหม แล้วก็เวทนาทั้งสามสุขเวทนาเราจะไปยึดว่าเป็นที่พึ่งได้ไหมไม่ได้ถ้าหากว่าสุขเวทนานี้ประกอบด้วยอะไรการขาดสติประกอบด้วยการไม่มีสติตามรู้ชั่วสุขเวทนาก็จะพัฒนาไปเป็นตัวอะไรความเพลิดเพลินในสุขนั้นใช่ไหมแล้วความเพลิดเพลินเราก็ยังไม่ได้เจริญสติหรือเจริญสติมาแล้วแต่กําลังสติไม่พอความเพลิดเพลินในสุขเวทนากลายเป็นความอยากจะให้ ความเพลิดเพินมีอายุยายาเป็นนันทิราคะใช่ไหมเมื่อเกินนันทิราคะความอยากในความสุขเหล่านั้นจํานวนมากขึ้นก็นยังไม่รู้ทัาทันอีกนันทิราค้ากลายเป็นอะไรเป็นกามะฉันทะอ่าที่เกียจสบายติดสุขอยากจะนอนนานๆไม่อยากจะลุกอยากจ ะ, อ, ะอยู่เฉยๆเล่นอคอมไปดูน้าําฟังเพลงไปเพลินเป็นกามะฉันทะ กามาฉันทะยึติด น, นานเป็นอะไรกา ม, มาตัณหากามาคืออยากจะอู้เคร่งนี้เพราะจังอยากจะได้เพราะาเครื่องนี้รู้สึกมันเล่นไม่ดีไปซื้อเครื่องใหม่อะไรเพิ่มหาวิธีการบ้านหลังนี้รู้สึกอยู่แล้วไม่สบายสร้างบ้านหลังใหม่รถนี้ไม่ไ ม, ไม่ทันสมยัยยี่ห้อไม่ค่อยดีไม่ทันสมยัยบ้านหลังใหม่เพื่อนคนนี้ไม่ดีอยากจะเพื่อนอีกคนได้เพื่อนคนใหม่อะไรไปเรื่อยๆเป็น ตัณหาการมัตตนาแล้วก็ไปยึดในสิ่งที่เราได้มาแล้วได้ลถมาดีดๆก็อย่ายึดใครไปแตะต้องมาได้ได้บ้านมาดีๆยึดเอาไว้ใครไปทําในบ้านหลังนี้ลองไปทุบหน้าต่างสักบานเลยอาจารย์ประภวัฒน์เป็นยังไงสอบว่าน้องอย่ า, ร, าระภวัฒนก็ <c oughs> <c oughs> จะเกินเรื่องทันทีเลยใช่ไหมนี่ก็ไปยึดเขาเรียกกาม้อะไรกามูปลาทานนะกามูปลาทานกามูปลาทานตัวนี้มันก็ซึมลึกจนกระทั่งว่าเรา มีความอยากเป็นนิสัยเป็นเรียกว่ากามาสวะเ <Wow. S 1> ห็นมสายมาพุทธิยถาเขาตัดถึงรากรู้ดำลําดับนี้จนจบมรรสนาปรากฏว่าภาษาลิบุตรเป็นไงเอเวกเลยเอเวกบรรลุธรรมเป็นพระรหันในวันที่สิบห้านั่นเองแล้วตัวพิจารณาเวทนาโดยละเอียดต่อมาเรื่อยๆหลังจากท่าบรรลุพระราหันนะท่านก็ทำรายละเอียดทําวิจัยทําวิจัยเรื่องนี้ต่อมาต่อมาจนกระทั่ง ชัดเจนเห็นแจ้งในรทั้งหมดในธรรมะของพุทธเจ้าเลยเพราะฉนั้นในครั้งใดที่พุทธเจ้าไม่อยู่เสด็จไปปีกวิเวกที่ใดที่หนึ่งท่านก็จะให้พระไตรบุตรเนี่ยมารับแขกแทนมาเทศแทนเลยว่าไงเถอะเทศเหมือนกับพุริเจ้าได้หมดเพราะเข้าใจเรื่องโครงสร้างของเวทนาทั้งหมดท่านเลียเป็นธรรมะสมูทานเพราะฉะนั้นเวทนาตัวนี้เป็นอนิจจังทุกขังนิรันดร์เหมือนกัน สุขเวทนาเป็นอนิจจังทุกเวทนาเป็นทุก ข, ขังทุกขมสุขเวทนาเป็นอนัตตาเขาตกอยู่ภายในต้ภายใต้ไตรลักษณ์ไม่ใช่สัญาธรรมสูงสุดเป็นสมมุติอยู่เป็นสมมติอยู่ทีนี้จะเปลี่ยนตัวทั้งสาเวทนาทั้งสมให้เป็นสัญชาตธรรมสูงสุดทําไงให้มีความชัดเจนมีสติกําหนดรู้ชัดๆให้รู้จักเวทนาชัดๆ รู้จักสุขเวทนาชัดชัดไม่เสพไม่สวยมากเกินไปให้รู้จักพอดีเมื่อทุกขเวทนาเข้าเมื่อความไม่สบายกายเข้าก็าไม่ดิ้นไม่ลุนไม่ผลักไม่ต้านเกินไปแต่บำบัดแก้ไขเมื่อจัดการความสบายไม่สบายกายให้ชัดๆมันก็ทําให้เกิดอะไรบำบัดสุขเวทนาได้ดีก็เกิดศีลบำบัดทุกขเวทนาได้ดีก็เกิดสมาธิ บำบัดได้ดีทั้งสองส่วนก็เป็นปัญญาเพราะนั้นตัวศีลสมถิปัญญาก็เกิดจากการตามรู้อาการของเวทนาทั้งสามนั่นเองอนนี้ศีลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะตามรู้สุขเวทนาไม่ยึดติดในสุขเวทนาศีลก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเวททุกข์ขึ้นมาก็ไม่ต้านไม่ผลักไม่รังเกียจไม่กลัวแต่แก้ไขปรับให้มันหายไปได้ก็สมถิก็ทาได้นาน ก็นั่งได้นานขึ้นรู้จักปรับเวทนาทุกเวทนาออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่รู้จักปรับไปไงสักพักนึงไม่ไหวลว้ใช่ไหมปวดตรงนั้นเมื่อยตรงนี้ง่วงเบื่อซิงแล้วเข้าไปอยู่ในอากาศนั้นไม่ชัดไม่เคลียร์ออกคือภาษาคือไม่เคลียร์มันออกคือไม่ชัดคือไม่เคลียร์ออกถ้าเคลียร์ออกมันก็จะชัดนะแต่ถ้าหากว่าไม่มีสติเข้าไปทั้งสามนี้ตัวเวทนาทั้งสามนี้ก็กลายเป็นอะไรราคะ สุขเวทนาเปลี่ยนเป็นราคะทุกเวทนาเปลี่ยนเป็นโทสะอทุกขมสสุขเวทนาเปลี่ยนเป็นโมหะเป็นอกุศลรัลกเงาศูนธ์ทั้งสามเลยแล้วพัฒนาไปตามิเดีหยาบกลางละเอียดโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยทีนี้ท่านภาษาริบุตรจึงแจ่มแจงทะลุผูกพวงเรื่องนี้หมดเลยจึงเป็นเลิศในทางปัญญานะปัจจุบันนี้ก็คือการศึกษาที่จเจริญก้าวหน้าถ้า มีคนอย่างภาษาอาหรับเกิดเยอะๆโลกนี้นก็เจริญด้วยในทางที่ถูกต้องและไหวนะอันนี้คือตัวเชื่อมต่อที่จะนำไปสู่จิตตาอนุปัสสนานะเมื่อเป็นอย่างนี้เราอย่ามองข้ามสุขอย่ามองข้ามทุกข์และอย่ามองข้ามตัวสุขแต่ความจริงแล้วมันก็มีแค่สองนี่แหละคือตัวราคากระทศะแต่ถ้าไม่ชัดเจนต่อราคากรทศั มันก็ถึงกลายเป็นโมหะใช่ไหมแต่ชัดเจนต่อราคาโทสายจะโมหะเกิดได้ไหมไม่ได้ในหลายที่พุทธเจ้าไม่ตัดถึงโมหะเลยนะมีพุทธภาษิตตอนหนึ่งที่พูดว่าชินจะพิกขุอิบางนาวังสิตาเตระหุมเมสติราคันจะโทสันจะตัดโตนิพานะเมหิสิถ้าใช่ว่าราคัญจะโทสันจะไม่มีโมหันจะเลยราคัญจะโทสัญจะตัดโทนิพานะเมหิสิปแปลว่าอะไรแปลว่าภิกษุเธอจงวิทย น้ำออกจากเรือนี้คือวิทย์ความคิดออกจากใจให้เปลียยนส ม, มุนความคิดที่มาเนเหมือนน้าที่มันซึมเข้ามาในเรือวิทย์น้ําออกเจือกเรือนี้คือวิทย์ความคิดตัดสลัดความคิดออกจากใจเรืออันเธอวิทย์น้ำบอกแล้วจักเบาจากนั้นก็จะแล่นไปสู่ฝั่งจิตอันเธอสลัดความคิดออกตลอดเวลาจิตนั่นจะเบา จากนั้นจิต ท, ที่เบาสบายแล้วจะแล่นไปสู่นิพพานเองตะโดนิพานนะเมกสิวิตอะไรออกวิราคาะและโทสะวิตความพอใจและไม่พอใจออกแค่นั้นเองแล้วก็ในสติประธานสูตรที่เราสวดมาสรุปแต่ละแห่งอาตาปีสติมา ส, สัมปชัญญวิยญาโลเกะอภิชาโทมนัสมีอภิชากระทบนอภิชาคือความพอใจโทมนัสคือความไม่พอใจ แต่ตัวที่สามไม่มีมีแค่สองใช่ไหมคือความพอใจและไม่พอใจนี่ตัวที่เราไม่ชัดทั้งพอใจเมื่อพอใจนั่นเองมันกลายมาเป็นตัวโมหะมันกลายมาเป็นอุปิขาเวทนามันกลายมาเป็นหัตถุขมสุขเวทนาแต่พอเราชัดทั้งความพอใจไม่พอใจตัวที่สามไม่เกิดอ่านะเหมือนกันอ น, นิจจังถ้าเราชัดต่ออ น, นิจจังชัดต่อทุกขงังอนัตตามีหม มาแต่ต้นเลยอนัตตาก็ไม่เกิดกลายเป็นอนิจจังทุกขังเป็นธรรมมาเพราะมีความชัดเจนความสบายเกิดขึ้นก็คอาเาปลี่ยนให้มันรู้เสียความไม่สบายเกิดขึ้นก็เปลี่ยนให้เป็นตัวรู้เสียตัวอนัตตาก็ไม่เกิดแต่ตัวธรรมเกิดแทนนู่นไปจงกต้นนู่นเลยแต่ถ้าหากว่าอนิจจังสมมติขณะ น, นี้เรานั่งมาท่าเ น, นี้อนิจจังทํางานของมันใช่ไหมทําให้เกิดอะไรความไม่สบายพอเราเปลี่ยนปับ๊บนี่อนิจจังที่เรารู้ คือการเปลี่ยนคืออ น, นิจจังอยูพอเปลี่ยนปั๊บตัวไม่สบายออกไปละใช่ไหมตัวสบายเกิดขึ้นนี่คืออ น, นิจจังที่ประกอบด้วยสติแต่ถ้าหากว่านั่งไปนานๆความเจ็บความปวดสูงขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ไม่รู้สึกตัวอ น, นิจจังก็เปลี่ยนเป็นทุกขงังอ่าไปทุกข์ังแล้วก็ดิ้นลนที่จะห น, นี้เบือ่อเซ็งแล้วก็ไม่รู้อีกมันก็เปลี่ยนเป็นอนัตตาคือพึ่งพาไม่ได้แล้วมันไม่มีหลักที่จะพึ่งได้แล้วเราก็ เป็นอนาตตาขึ้นมาเป็นโมหะขึ้นมาเลยเห็นไหมอันนี้คือหลักกว้างๆชัดๆเลยนะไม่ใช่เรื่องที่ต้องส ส, สับนซับซ้อนอะไรเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆแต่เนื่องจากว่าการกระทําหรือประสบการณ์ของเรายังไม่มากพอมันจึงแจ่มแจ้งทันทีไม่ได้ดังนั้นเองในตอนกลางวันเนี่ยก็ถึงให้ทำทั้งทั้งวันตลอดโดยไม่ต้องไม่มีอะไรไปอินเตอร์รับคือไม่ไปขัดจังวหวะที่ทําตลอดเพื่ออะไร เพื่อจะดูว่าใครมีกำลังความสามารถในการที่จะรีเฟล็ตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่ไปแช่ไปจงแต่หลายคนก็ยังแช่ยังจงอยูน่นะนั่งไปพอมหมดช่วงหมดโปรโมชั่นสบายแล้วมันก็เริ่มง่วงแล้วใช่ไหมเราก็ไม่อยากเปลี่ยนรับมันต่อเลยม <c oughs> ่วง่งวงลมคาไม่ไหวเดินไปคุยกับเพื่อนเลยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้กาเรื่องรีเฟไม่ถูกนะรีเฟถ้ารีเฟถูกก็มันเริ่มนิดๆใช่ไหม ไอ้ง่วงมันจะมาปุ๊บปั๊บมันเริ่มอย่างไงก่อนเราก็สังเกตมันใช่ไหมตามาหนักๆหายใจสั้นๆเหนื่อยเมื่อยๆเพลียๆมาแล้วเราเห็นสัญญานี้ปับ๊บเรารีเฟลเตอร์เองเลยรีฟรฟเฟล็กโ ด, ดยการพลิกไปพลิกมามันยังไม่เข้มแข็งพอใช่ไหมกระลุกไปทําอะไรสักอย่างกลับมาหรือหายใจลึกๆใช้ความพยายามแก้ไขนี่เรียกว่ามีความเพียรคือการแก้ไขเพียรคือหมายความว่าพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดไม่ใช่นั่งซั่งจังหวะโดยจมูกไปกึ่งกลางกึ่งกลางพอปัญหาเกิดแก้ไม่เป็น อันนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาวายะมะคือเพียนผิดเพียนที่จะทําอย่เร็วแต่ไม่เพียนที่จะแก้ไม่เพียนที่จะอ่าดับในสิ่งที่มันเป็นเหตุให้เกิดนะดังนั้นเองเราจึงมาแก้ที่เหตุดูที่เหตุให้ละเอียดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยดูให้ละเอียดถ้าก็ดูที่ต้นเหตุของมันการปวดเนี่ยจู่ๆพอพลิกไปไม่ใช่ว่าปวดปุ๊บทันทีใช่ไหมมันก็เริ่มปวดทีละนิดๆอาการที่มันปวดทีละนิดๆ น, น, นี่เราเห็นมันไหม ถ้าใครมีความสามารถตามดูตรงนั้นได้เรียกว่ามีความแยบคายมีปัญญามันเริเ่มเกิดแล้วปัญญาตรงนี้ปัญญาคือการตามรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นบิดใบบิดบิดใบบิดทีทละขณะทีละขณะใช่ไหมแต่พอมันไปเกิดเป็นจำนวนเยอะๆแล้วเนี่ยแก้ไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวนะดังนั้นเราจะวันนี้นะความเชื่อมต่อระหว่างเวทนาไปสูจิต ก็ตรงที <Okay. S 1> ่ว่าใช้ตัวสัมปชัญญะและสมาธิคําว่าสัมปชัญญะคือสํารวจให้พร้อมก่อนอะไรเกิดขึ้นในกายในใจแล้วและเห็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในทางที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเป็นสุขกเวทนาความสบายก็อย่าเสพมานานเกินไปก็เปลี่ยนมันทิ้งซะเพราะมันเลยขีดนี่ไปปั๊บมันจะเปลี่ยนเป็นทุกขเวทนาใช่ไหมแต่เอาละในไหนเราเสพมันมาไม่รู้กี่พภพอีชาตะมันก็จะเปลี่ยนไปก็เสียดายอยู่กาลังสบายสบายอยู่ใช่ไหม ก็เสียมันให้พอเข้าขีดแดงของไม่สบายปับ๊บเราก็เริ่มตั้งสติแล้วใช่ไหมว่าความไม่สบายตรงนี้มันจะขึ้นไปถึงระดับใดที่เราทนไม่ได้ตามดูใช่ไหมตามดูไปจนกระทั่งมันเป็นขีดแดงแล้วนะเราก็เริ่มเปลี่ยนแล้วไอ้ขณะที่เปลี่ยนต้องรู้ว่าไอ้ความไม่สบายออกไปอย่างไรด้วยนะอันนี้คือความแยบคายต่อเราเปล่ปงปิ๊บปับ๊บ ความไม่สบายออกไปได้ก็จริงแต่ว่าปัญญาเกิดไหมไม่เกิดเพราะเห็นขบวนการไม่ชัดนี่คนที่ง่วงจะจัดเนี่ยเห็นว่าตัวง่วงมันมันมันขึ้นสปีดขึ้นสูงไวมากมเราก็ต้องรีบปลุกตัวเองให้ตื่นด้วยทาอะไรก็ได้ตรงนี้เองแต่คนไหนที่เป็นเจตีทั้งคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ จดิตมี6 1. ราคะจริต 2, สอัทธาจดิตโทสัจจิตสโมหะจริ ต, 3, รต 4. สัทธาจดิต 5. พุทธิห้าวิตกจิจิต 6. พุทธิจริตอ่าคือหมายความว่าถ้าคนไหนเป็นราคะจริตเนี่ยก็จะอ่ามีความเกิดศรัทธาตั้งใจฟังศึกษาดีนะเพราะราคะทำให้เกิดศรัทธามันกันในไฟบวกนะ ทูนัยเป็นโทสัจจริตฟังแล้วรู้สึกขัดใจหงุดหงิดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ค้านอยู่ในใจเป็นโทสัจริตแต่โมหจริตก็ฟังไปฟังมาแล้วสลืมสลือง่วงลูกเดียวไม่ชัดต่อสิ่งที่ได้รับเมื่อสลืมสลื ม, ล ม, ล ม, ลม น, นี่เป็นโมหจริตเท่ากับวิตกปกจริตนะคือศรัทธาราคะเมื่อมีสติเข้าไปมันกลายเป็นศรัทธาโทสะเมื่อมีสติเข้าไปมันเป็นตัวพุท ธ, ธิพุท ธ, ธิจริต คนที่มีโทสะจัดคือเป็นคนมีปัญญาเป็นพุทธ่จริตคือเป็นผู้ที่คือรู้เหตุผลอะไรเยอมากเมื่อ <c oughs> รู้รู <c> ้ <oughs> ข้อมูลมากแต่ในเมื่อคนอื่นที่รู้ข้อมูลไม่ตรงกรใจโดยเนะยี่ยงุนหิตมันไม่ถูกอย่างนั้นก็เกิดปฏิเสธอะไรขึ้นมาแต่พอได้เหตุผลถูกต้องปั๊บเป็นพุทธะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นในส่วนฝ่ายลบมีสาพื้ราคาโทสะโมหจริตไม่ฝ่ายบวกเมื่อถูกต้องมีสติเข้าไปประกอบเป็นศรัทธาเป็นปัญญา เป็นสรทาเป็นสมาธิและเป็นปัญญานะเพราะฉะนั้นเราก็ดูในจริตไหนเราจะดูตัวเองออกนะจริตใหญ่ๆก็มีแค่สานั่นแหละราคะจริตโทสะจิตโมหะจิตถ้ามีสติที่เราจเจริญเข้าไปกำกับราคะจิตของเราก็เปลี่ยนเป็นศรัทธาถ้ามีความหมงุดหงิดไม่พอใจมีสติเข้าไปกำกับก็เปลี่ยนโทสะจิตมาเป็นตัวสมาธิ นะแล้วก็ความวิตกขจิตคิดเล็กคิดน้อยคิดนนคิดนี่ถ้ามีสติเข้าไปกับก็เป็นอ่นาไม่ใช่ทิโทสะที่จะเป็นปัญญาจะวิตกที่จะเป็นผู้ที่เจริตนั้นนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้มีเหตุที่เราจะต้องศึกษาไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่ศึกษาในรายละเอียดแล้วเราก็หลงทางนะอันนี้คือเรื่องเวทนาต่อสจัจจ์นะทีนี้มาดูว่า ตัวเวทนาที่จะเชื่อมไปสู่จิตเชื่อมอย่างไรความพอใจคือความสบายกายและเกิดความพอใจอะไรเป็น ต, ตัวต่อให้เกิดความพอใจในสุขเวทนาเอาอีนะความรู้สึกสบายกายแต่เรารู้สึกพอใจ <c oughs> ตัวอะไรเชื่อมไปสู่มันอีกทีหนึ่งความรู้สึกสบายกายแล้วเรารู้สึกพอใจในความสบายอันนี้ ตัวอะไรตัวสภาวะอะไรที่เชื่อมความรู้สึกสบายกายไปสู่ความรู้สึกพอใจมีตัวอะไรดึงเข้าไปสู่ตรงนั้นความจีบต้นเหตุอ่ะที่ว่าเมืเ่อกี้ตัวอะทุกขเวน่าเกิดจากอะไรความความสบายทางกายเนี่ยเกิดจากอะไรต้นมันจริงๆรอ่ะอ้าวหลวพอเปลี่ยนให้ดูนะมิคี้ใช่ไหมมิคี้นั่งแล้วหนักพอเปลี่ยนไปป๊อปเนี่ยสบายอ๋อหรีอยง ตัวสุขเวทนาที่เปลี่ยนไปเป็นหลักของอนิจั ง, จงเห็นไหมก็คือด้วยความเป็นอันิจังว่ามันพอมันมาอยู่ที่กายแล้วมันไม่จำกัดอยู่นี่ ม, มันก็เปลี่ยนไปสู่ที่จิ ต, จตด้วยกายกับจิตมันติดกันอยู่ใช่ไหมอ่าเพราะ อ, อันิจังเข้าไปก็เปลี่ยนสุขเวทนามาเป็นตัวสุขเวทนาทางกายมาเป็นสุขเวทนาทางจิตสุขเวทนาทางจิตมีชื่อของเาว่าโสม นัสเวทนาเห็นไหมไอ้ตัวระหว่างสุวรรณสเวทนากับตัวสุขเวทนาทางกายเนี่ยก็มีตัวอนิจจ์เป็นตัวขับเคลื่อนเข้าเข้าสัมผัสกันเราเรียกว่าเวทนาในตัวเนี้ยหือว่าสุขเวทนาสุวรรณสเวทนาอย่งเป็นเวทนาดูอย่งเงี้ยทีนี้พอความไม่สบายกายปวดนั่นปวดนี่ขัดนั่นยกนี่มันเข้าไปเกิดความไม่สบายใจได้ยังไงตัวอะไรเป็นตัวขับเคลื่อน อ่าตัวทุขังเป็นตัวขับเคลื่อนเมื่ออั น, นิจังเราไม่ได้ตามแก้ใช่ไหมมันก็กลายเป็นทุกข์แต่ถ้าหากว่าความสบายกายวิสติเข้าไปตามแก่จะมันจะกลายเป็นทุขังได้ไหมเพราะนันตัวที่เข้าไปแก้อั น, นิจังไม่ให้เป็นทุขังคือตัวอะไรเอาให้เอาให้ทันเอาให้ทัน <c oughs> ตัวความไม่สบายล้วความสบายกายเปลี่ยนมาเป็น ดูวความสบายใจคือสุขเวทนาความสบายกายคือสุขเวทนาเปลี่ยนมาเป็นความสบายใจคือสุมาลสเวทนาใช่ไหมที่ปรับตรงนั้นด้วยหลักของนิจังพอเสติไม่ตามรู้ความสบายใจก็ดีความสบายกายนี้มันก็เปลี่ยนมาเป็นทุกขเวทนาและทุกขเวทนานี้มันตั้งอยู่แต่กายไม่ได้มันต้องไหลสู่จิตด้วย เมื่อความไม่สบายกายไหลสู่จิตนี่เราเรียกเวทนาอีกตัวว่าโทมณสเวทนามันไหลามาด้วยหลักของอนิจจังเหมือนเดิมนะแต่เราเรียกว่ามันทุกขังนะเพราะฉะนั้นตัวที่มันไหลลื่นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับนะตอนกลางวันตอนบ่ายนี่หลวงพ่อขอนักวิทยาศาสตร์ครูของเราคูวิทย์มีไหมมีครูวิทยมีกี่คน ช่วยกันหน่อยวันนี้เราจะมาสาธิตดูว่ามันเวทนาเข้าสู่กายอย่างไรเวทนาเข้าสู่จิตอย่างไรเวทนาเข้าสู่อารอมณ์อย่างไรเราเราก็จะมาดูแล้วนักกรุณาเตรียมขวด น, น้ําจะสีขนนะ่ขวดนะขวดน้ําใสาๆแล้วก็เตรียมสีมาด้วย <c oughs> จะสมมุติให้ตัวสุขเนี่ยเป็นสีอะไรสมมุติให้ตัวทุกข์เป็นสีอะไรสมมติตัวอทุกขเข้ามาสู่ก็เป็นสีอะไรเตรียมมาด้วย อ่าขวดน้ำใสอ่าอ่า ส, <ญ>สีอะไรก็เป็นสีผงอะ่ะหรือสีผงก็สีน้ําก็แล้วแต่ถ้าจะสมมุติสุกเวทานานี่สมมติจะเป็นสีอะไรดีอ่าอันนี้ไปคิดกันกันแล้วกันกนักวิทย์ทั้งหลายนี่นะอ่าทุกขเวทานาถ้าจะเป็นสมมุติเป็นสีมันคนจะเป็นสีอะไรอะทกกขรมาสุขเวทานาถ้าสมมติถ้าเป็นสีมันคนจะเป็นสีอะไรแล้วก็เราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ยมาผสมผสานกันดูวจะออกเป็นสีอะไรนะ ตอนตอนตอ น, ตอนที่เราตอนบ่ายหลังจากเบรกตอนที่กลับมานะเราก็จะมาทําเรื่องนี้กันดูนะทีนี้ต่อมาในอนิจจังทุกขังอนัตตก็ดีในตัวรูปมันก็เกิดในรูปในนามเพราะนั้นใช่ไหมถ้าไม่มีรูปนามอานิจจังทุกขังอนาตาเกิดได้ไหมทีนี้มาดูต้นต่อว่ารูปนามมาจากไหนก่อนที่เราจะไปเชื่อมต่ออ่า ัวราคาโทศั์รูปกับน้มที่เมื่อวันเมืม่อวานน่ะรูปมาจากไหนมาจากธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟน้ามาจากไหนมาธาตุทั้งสองที่เกิดจากธาตุสี่ผสมกันพอดีแล้วมาเป็นธาตุอีสองตัวคืออากาศธาตุกับวิญญาณธาตุึงเกิดมาเป็นน้ำใช่ไหมรูปกับน้ำก็เกิดมาจากอะไรธาตุหกและธาตุอกหกนี่เอง มันจึงเกิดมาเป็นขันธ์ทั้งห้าขันธ์ห้ามีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาบอกว่ารูปก็คือรูปแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามหลวงพ่อไม่ค่อยเห็นด้วยกับหลักการอันนี้เท่าไหร่เพราะเวทนามีทั้งสองข้างเวทนามีทั้งสองฝั่งสองฝั่งอย่างเอาละตัวเนี้ยมันเป็นรูปถามว่ามีเวทนาไหม ไม่มีเพราะมันไม่มีไม่มีนามแต่พอมาเป็นตัวเราเนี่ยเออมาเป็นมือเนี่ยเป็นรูปไหมรู้สึกได้ไหมพราะมีอะไรมีนามนั้นแสดงว่าเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยเป็นได้ทั้งฝ่ายรูปและเป็นฝ่ายนามขึ้นอยู่กับวัตถุนั้นมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณถ้าวัตถุนั้นไม่มีวิญญาณมันก็เป็นรูปอย่างเดียวไม่มีเวทนาแต่ถ้าหาวัตถุนั้นมีวิญญาณ ก็เป็นนามด้วยเวทนาตัวนั้นเพราะนั้นเวทนาจึงเป็นได้ทั้งรูปทั้งนามแต่ที่เป็นนามล้วนๆคือสัญญาสังขารวิญญาณเพราะนั้นรูป ก, กับนามก็เกิดมาจากขันห้านั้นเองย่อดเลือ่อๆสองและขันห้านี้นก็หมุนตามอะไรกุฏอนิจจ์ทุกขังอนัตตามาจากตรงนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องของหลักเอาละในตัวของสัญญาสังขารวิญญาณรวมเรียกว่า จิตใช่องเรเียกว่าจิตทีนี้เวทนาจึงเชื่อมรูปเข้าสู่นามโดยอาศัยรูปกับนามสองอย่างนีคือรูปเวทนาสัญญาสังขารสัญญาสังขารวิญญาณก่อให้เกิดจิตแล้วก็วิจัยแล้วก็กายมีตัวเวทนาเป็นตัวกลางเพราะนั้นตัวเชื่อมกายสู่จิตหรือเชื่อมรูปสู่นามก็คือตัวเวทนานั่นเอง เมื่อเราบรรเลียนรู้เวทนาให้ชัดแจ้งแล้วเนี่ยเราก็รู้รูปรู้รรนามได้ด้วยง่ายแต่ถ้าหากว่าเราไม่แจ่มแจ้งเรื่องเวทนาชัดๆแล้วเราอยู่กับรูปกับนามตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จักมันนะเพราะเรารู้ว่าเรามีรูปเพราะอาศัยเวทนาบอกเรารู้ว่าเรามีขาเนี่ยเพราะเวทนามันบอกว่าเรามีขาปวดขานะแต่ขานี้เกิดเป็นอมภะขึ้นมาเราจะรู้ไหมว่ามันโปวดขาไม่รู้อีกเพราะนามไม่สมบูรณ์รูปไม่สมบูรณ์ก็ไม่สามารถจะตอบสนองกับเราได้ พะนั้นเองวันนี้อยากจะให้ไปดูตัวนี้ให้ละเอียดขึ้นดูถึงต้นเหตุว่าก่อนที่มันจะง่วงมันเกิอดอะไรขึ้นก่อนที่มันจะปวดมันเริ่มใหญ่ต้นอย่างไรนะก่อนที่มันจะเบื่อมันเริ่มต้นอย่างไรก่อนที่มันจะคิดมันเริ่มต้นอย่างไรใครสามารถตามดูรากดูรูปตัวนี้ได้ชัดเจนก็จะเข้าใจได้เลยรูปน้ำก็ไม่ใช่ของยากแล้ว แต่ถ้าไม่ตามดูเรื่องนี้โดยละเอียดเลยตามเลยในะชั่วโมงรู้ตั้งใจชั่วโมงแรกรู้ตั้งใจดูดีมากชั่วโมงที่สองไม่เอาแล้วทิ้งหมดเลยตรงนี้เขาเรียกว่าศรัทธาไม่เข้มแข็งความเพียรไม่เข้มแข็งก็ไม่สามารถที่จะไปดูได้เพราะนั้นเราก็ต้องมาอัพตัวศรัทธาและความเพียรขึ้นคือนึกถึงว่าเออเรามาทำมาศึกษาเรื่องนี้นะ เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญมีความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตจิตใจของเราทั้งหมดเพราะงั้นเราจะทำเล่นเล่ น, ลนหัวหัวทําบ้างไม่ทําบ้างนี่ไม่ได้แต่เราจะทําให้เป็นถ้าทําให้เป็นแล้ว เ, เป็นไงเป็นปัญหาอีกปวดเสียเวียนเก้ามึนติดเพ่งเค่งคัดจนกระทั่งตัวเองนี่ไม่สบายอึดอัดเบื่อไปเลยอันนี้ศึกษาไม่ถูกถ้าศึกษาถูกแล้วมันจะเบาสบายสนุกสนาน แล้วก็สดชื่นแจ่มใสศึกษาถูกเพอเหมือนก็นเราไปเล่นเกมอะไรเล่นได้ทั้งวันนั่นหมายความว่ามันเข้าใจและสนุกนะเพราะฉะนั้นให้ศึกษาด้วยความเข้าใจแต่จุดไหนไม่เข้าใจเราจะรู้ได้ทันทีว่าโอ้มันไม่สนุกแล้วนะมันเบื่อมันเซ็งมันแสดงว่าไม่ถูกแล้วแล้วก็มารีเฟล็ใหม่เอ๊ะมันผิดขั้นตอนตรงไหนก่อนจะหาเนี่ย ม, มาจากไหนก่อนเราศึกษามันอีกนะมันเริ่มต้นยังไง วันนั้นทุกอย่างน่าศึกษาหมดเลยในอาการของเราทั้งหมดเนี่ยจะลุกจะนั่งจะก่อนที่จะลุกอ่ะอะไรเป็นเห็นให้เราลุกก่อนที่จะเปลี่ยนอะไรเป็นใหุ้เราเปลี่ยนได้เห็นเหตุมันชัดไหมความสบายเป็นเหตุเราเปลี่ยนได้ไหมความไม่สบายเป็นเหตุเราเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยมันดูชัดเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนสำหรับคนไหนที่ทําไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่ว่าไม่ไม่เป็นไปอย่างที่คิด ก็แสดงว่าความเข้าใจยังไม่ชัดเจนมานั่งคุยกันใหม่หลวงพ่อก็จะดูเป็นคนๆไปคนไหนรู้สึกทำแล้วรู้สึกมันไม่ใช่นะ่เนี่ยแสดงว่าเข้าใจไม่ถูกแล้ว mm hmm. ก็จะเรียกมานั่งคุยกันเป็นลายๆไปเอาอย่างนั้นนะแต่คนไหนรู้สึกทำแล้วรู้สึก ส, สนานถูกต้องอจำใส่เบอร์บานก็ปล่อยให้ทำไปศึกษาไปเรื่อย คนนั้นอาจจะมีภูมิหลังภูมิเข้าใจอะไรมามีบ้างแล้วแต่คนในใ ห, หม่จริงๆไม่มีแบกแลบไม่มีภูมิหลังเรื่องนี้เลยก็ อ, อาจจะจับถูกจับผิดแม้แต่ภาษาที่หลวงพ่อใช้ก็ จ, จะยังเข้าใจไม่ได้เพราะใหม่เหลือเกินเนาะนะเพนะราะฉะนั้นก็ภาษาสลับกันไปสลับกันมาภาษาปริยบภาษาบาลีเนี่ยมันจําเป็นเพราะนั่นคือคําสอนพรุทธเจ้าตัดเอาไว้แต่หลวงพ่อ น, นํามาย่อยมาทองความเข้าใจอีกทีหนึ่งเพื่อเรานําไปใช้อย่างถูกต้องเพราะเรื่องนี้นมันมีผลต่อชื่อทั้งหมดของเรา ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะแต่คุณไหนไม่ต้องการชีวิตที่ดีขึ้นต้องการตกต่ำไปเรื่อยๆก็ไม่จำเป็นต้องศึกษาเรื่องนี้นะคุณจะไปตกนโลกบกใหม่ก็เป็นเรื่องของคุณคุณจะไปเกิดเป็นผีเป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นมาที่ใดก็เป็นเรื่องของคุณนี้ก็ไม่ต้องศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่ถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะีความสุขดีกว่านี้ประณีตกว่านี้เยือกเย็นกว่านี้โอ้ลืมปิดเครื่องเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยว่าเราจะต้อง มีความพอใจใส่ขนาดว่าเงินทองของข้าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเราก็ยังทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตให้กับมันใช่ไหมเพียงแต่ว่าทรัพสมบัติทั้งหลายที่เป็นวัตถุเนี่ยช่วยเราได้เพียงชั่วคราว temporary property ทรัพย์สมบัติที่ชั่วคราวเราก็ยังให้ความสําคัญลงทุนเรียนหนังสือตั้งแต่ป .1 จบป .6 ห, หาไม่พอใช้ความรู้ เอาอีกมหนึ่งถึงมหกความรู้ายังไม่พอใช่ไม่พอกินเอาอีกเอามาเอาปริยาตีไปถึงปริยาเอกแล้วยังทุ่มเทได้ขนาดนั้นสิปียี่สี่ปีใช่ไหมแล้วสรุปสมบัติที่เกิดจากความรู้อย่างนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่แล้วทำไมมาทุ่มเทให้ขนาดนั้นแต่เรื่องนี้มันให้ความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วตลอดไปนั้น มันควรไว้ที่จะทุ่มเทมากกว่านั้นนะใช่ไหมจําเป็นทุ่มเทมากกว่านั้นแล้วก็ถี่ทุ่นมากกว่านั้นด้วยแทนที่จะใช้เวลาห้าปีสิบปีศึกษาเรื่องนี้ตลอดชีวิตมันจะต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราไปสุขสมสําเร็จแล้วเราก็จะต้องสุขตลอดไปไม่ต้องไปทุกข์กี่หมืน่นกี่แสนชา ต, ติก็ต้องไปทุกข์อีกแล้วมันคุ้มอะ่ะแทนที่เราจะต้องเว้นไว้ายตาเกิดไม่รู้จบไม่รู้สิ้น และเรามาทําเรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งใจแล้วมันจบมันสิ้นพระพุทธเจ้าท่านเปิดค้นพบสูตรอันนี้เราก็มาศึกษามาทําตามง่ายแต่พระพุทธเจ้าก็จะค้นพบมาสอนเราเรื่องนี้ได้ท่านบําเพ็ญบารมีไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกับใช่ไหมแต่เราไม่ต้องออย่างภาษาลิบุตรพระโมฆลลานะไม่ต้องเสียเวลาบําเพ็ญบารมีพระพุทธเจ้าก็ต้องบําเพ็ญบารมีมาเยอะแล้วก็ยังเสียเวลาไป่ทั้งกี่ปีหลังจากบวชแล้วกี่ปีถึงจะได้บรรลุธรรม ตแต่อายุยี่สิบเก้าบลุธรรอายุสาสิห้ากี่ปีหกปีใช่ไหมแล้วมื่อบรรลุธรรปีที่เจ็ดแต่พระโมคคัลนาสารีบุญมาเจอกันแค่อทิตย์นอธิษฐานบรรลุธรรมแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นอาศัยผู้ที่ท่านทํามาก่อนแล้วตามท่านไปเท่า น, นั้นเองแต่มันจะยากสําหรับคนที่บุกเบิกครั้งแรกแต่เราท่านบุกเบิกเป็นเส้นทางเดี้วมีหน้าที่เดินเท่า น, นั้นเองเนี่ยมันก็ง่าย เส้นทางจากนี้ไปเชียงใหม่เมื่อก่อนถ้าคนที่บุกเบิกใช้เวลาเป็นแต่หลายปีกูจะถึงใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงถึงแล้วลิงใช้เครื่องบินยิ่งไวใหญ่เลยแค่ชั่วโมงเดียวถึงแล้วฉันใดก็ฉันนั้นเราเป็นผู้มารับผลเราโชคดีขนาดไหนที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วมาทําวิปัสสนาแล้วก็ได้มาพบใครพระอาจารย์ โ <laughs> ชคดีทั้งหลายชั้นนะ่ะนะแต่เราก็เมื่อพบโชคดีขนาดนี้เราก็ยังไม่เอาอีกสมควรไงสมควรทุก <laughs> จะว่าสมควรตายก็หนักไวนะ่าเนาะสมควรทุกท ร, รมานเปตลอดชาติเนี่ยแล้วเพราะฉะนั <laughs> ้นทั้งใจหน่อยก็แล้วแล้วการที่จะมานั่งฟังอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังมันมีความเป็นมายาวนานลองสตอรี่ก็แล้วกันนะแต่ว่าเราสิบไม่ได้เราสร้างบุญกุศลมา มากแค่ไหนเราเลยมาพบกันอย่างนี้นะเมื่อเรานึกถึงอย่างนี้มันก็อินสปายตัวเองเกิดแรงดนใจเกิดแรงขับเคลื่อนที่เราไม่กล้านั่งหลับนั่งง่วงอีกต่อไปนะเราก็พยายามเอนนิจัยพยายามปลุกเราตัวเองให้อา่าให้มีพลังสู้อยู่เสมออะไรจะเกิดขึ้นก็สู้นะขณะนั้นเองก็ในช่วงวันนี้เป็นวันที่เรื่องของจิตตานุปัสสนาแต่เวทนา เมื่อวานก็ยังไม่ชัดใช่ไหมวันนี้ขึ้นต่อครึ่งเลยวิทยานาครึ่งจิตตาครึ่งหนึ่งอาจจะไวก็ได้น่ จ, จะไวขึ้นคําว่าไวที่นี้หมายความว่าดูรายละเอียดได้มากขึ้นไม่ใช่ทําเต็มที่นะศึกษารายละเอียดขึ้นแก้ไขปัญหาได้มากขึ้นตรงจุดแล้วก็คลี่คลายปัญหาที่เกิดได้เร็วขึ้นอันนี้ที่เราว่าไวแทนที่จะง่วงสักสินาทีแค่ง่วงนาทีเดียวใช่ไหมอันนี้เรียกว่าไวขึ้นแล้วแทนที่จะนั่งปวดแช่ครึ่งชั่วโมงนั่งปวดแค่สินาทีแก้ไขได้แล้ว คนบางคนไวกว่านัแทนที่จะนั่งแช่สีนาทีแค่3นาทีแก้ไขได้แล้วใช่ไหมมันก็เฟลชดีเฟลชตัวเองได้ตลอดเวลาซึ่งเรื่องนี้จึงเขาฝากให้พวกเราเป็นความหวังของอนาคตของชาติคือเด็กทั้งหลายถ้าพวกเราเข้าใจเรื่องนี้แจ่มแจง้งแล้วเด็กทั้งหลายที่อยู่ในรับผิดชอบของเราเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมเพราะเด็กเขาสะอาดกว่าเราเยอะนะแล้วก็าเขาก็เพียวกว่าเราเยอะถ้าหากว่าเราใส่สิ่งนี้เข้าไปด้วยสติปัญญาของเรา ด้วยมีวิธีการอย่างที่เราเห็นคลิปของอาจารย์ชูฮนานนก่อนเมื่อวานนะใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องไม่ยากตามที่ที่เราเรียกเห็นแต่ว่ามันจะต้องเกิดจากความเข้าใจของเราไม่ใช่จํารูปแบบของอาจารย์ไปแสดงหรือไปพูดแต่เมื่อเกิดความเข้าใจแล้วแอปพลายได้ดีกว่านั้นอีกหรือแอปพลายได้ถูกเหตุการณ์ในส่วนเราจะแอปพลายได้ถูกเหตุการณ์เหมาะเจาะได้ผลอย่ะไรขึ้นอยู่กับความเข้าใจลิสติปัญญาของเราเอง ก็จึงไม่อยากจะให้พลาดเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าเนี่ยที่หลวงพ่อนําเรื่องของโยคะก็ดีอะไรก็ดีต้องอยากจะทําความเข้าใจว่าร่างกายเนี่ยเปรียบเสมือนรถจิตใจเปรียบเสมือนคนขับหรือร่างกายนี่เปรียบเสมือนบ้านจิตใจเปรียบเหมือนเจ้าของบ้านถ้าเปรียบเสมือนรถจะเห็นภาพชัดว่าถ้าหากว่ารถเราดีคนขับเก่งเนี่ยใช่ไหมจะไปถึงไหนถึงกัน แต่ถ้ารถไม่ดีคนขับไม่เก่งก็ไปไม่ถึงครึ่งทางแต่ถ้ารถไม่ดีคนขับเก่งก็อาจจะไปไกลกว่านั้นหน่อยแต่ถ้ารถ ด, ดีด้วยคนขับเก่งด้วยนอกจากไปถึงเป้าหมายแล้วกลับมารับเพื่อนอีตั้งหลายรอบอะใช่ไหมชั้นใดก็ดีถ้าร่างกายเราดีจิตใจเราฝึกฝนมาดีปั๊บเนี่ยไปสู่มรรคผลไม่ยากเลยแต่ร่างกายไม่ดีกระสบกระแสะออดอแอ ด, อ ด, อ ด, อด ความตั้งใจดีขนาดไหนก็ไปได้ยากเพราะร่างกายไม่เอือ้อใช่ไหมเหมือนคนุแก่คนที่เป็นโรคไขข้เจ็บอะ่พะพอจะปฏิบัติให้ตัวนึ่งสักหน่อยหนึ่งเกดิกดปวดเกิดเมื่เกดิดไข้เกดิดหนาวเกดิดไม่สบายขึ้นมาแล้วนี่หมายความว่ารถเราไม่ดีดังนั้นเองคนที่น่าจะเดินทางปลอดภัยที่สุดก็คือถึงรถมันจะดีขนาดมันก็มีโอกาสเสียโอกาสพังได้แต่ถ้าหากว่าคนขับเป็นช่างเสเองใช่ไหม กลัวไม่ต่อการลดเสียไม่กลัวนะติดเครื่องมือไวเลยมันเสียตรงไหนก็ซ่อมก็ตรงนั้นชั้นใดก็ดีในขณะที่เราเป็นมนุษย์ศึกษาเรื่องนี้อยากให้ศึกษาเรื่องการดูแลร่างกายด้วยเพราะปัจจุบันนเทคนิคในการดูแลร่างกายมีเรื่องเยอะแยะใช่ไหมทั้งแพทย์ปัจจุบันทั้งแพทย์ทางเลือกทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทยแผนสมุนไพรแพทย์แผนธรรมาชาติอะไรต่างๆมีเยอะแยะให้ใส่ใจเอาไว้เพื่อดูแลตัวเองแล้วเราก็จะข้ามทะเลทราย ของวัดสงสารคือทะเลแห่งราคะทะเลแห่งโทสะทะเลแห่งโมหะซึ่งมันกว้างขวางใหญ่โตมากไม่ใช่มีทะเลน้ําอย่างเดียวนะราคะคือทะเลน้ําโทสะคือทะเลทรายโมหะคือทะเลหมอกไม่ใช่ทะเลไฟนะทะเลไฟนี่ไม่ไหวนะเอาคทะเลทรายก็จะแย่อยู่แล้วนะทะเลน้ําทะเลทรายแล้วทะเลหมอกขึ้นภูเขาบอกนาทึบอย่างงี้นะลิ่งรถไม่ ไม่สะดวกแล้วนะเราข้ามถึงสามทะเลใหญ่เนี่ยถ้ารถเราไม่ดีคนเขาไม่กิงไปไม่รอดนะดังนั้นการที่เราทำการออกลร่ช่วงเช้าแล้วก็ทานน้ำเยอะๆนะทานน้าเยอะๆเราก็อะไรก็แล้วแต่ี่เราค้นหาสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองก็แล้วกันที่จะทำให้ร่างกายเราเข้มแข็งแล้วเราก็มาฝึกจิตใจด้วยกันใช้ส ม, มรรสติเนี่ย เข้าเป็นเป็นตัวนำจิตใจของเรานะขออนุมทนาสาธุความตั้งใจที่เราศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ดีที่ประเสริฐเพื่อให้เกิดเป็นสติปัญญาญาณสามารถที่จะผ่านทะเลทายทะเลความทุกข์ต่างๆไปได้ถึงเป้าหมายคือมรกผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านอาอ้รับราบผมกัน